มีการที่เราจะเที่ยวหาความสุขกลายเป็นว่าเราหาภาระมาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นคนมีเงินมากๆไม่ได้มีความสุขจริงๆหรือคนมีชื่อเสียงนะไม่ได้มีความสุขยุ่งมีคนที่แจ้งท่านสอน้ะเรามีอะไรเราก็ทุกขเพราะสิ่งนั้นเราจะเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเราเพิมภาระขึ้นมาเราตกเป็นทาสของสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราพอใจ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 ก็ิดแต่ว่าทํายังไงจะดีทํายังไงจะถูกมีแต่คำ ว, ว่าทำทั้ทั้งที่กริยาหรือเวทในการปฏิบัติที่มีตัวเดียวเองคือรู้ตามความเป็นจริงอย่ยงนี้ปันสนากรรมฐานนะแปลว่าเห็นถู ก, ถ ก, ถกต้องเห็นจงตามความเป็นจริงางานของเรามีแค่เหตุความจริงเท่านั้นเห็นความจริงของกายากายก็แสดงความจริงอยู่แล้วแต่เราก็ไปบังคับมันจนกระทั่งมันผิดความจริงไปกางความจริงของมันก็คือมันไม่เที่ยง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 ที่จะเกิดมาเ้องต้อนอาศัยธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์ที่เหลือมาใส่น้ามาใส่อากาศอาศส่ธาตาุต่างๆของโลกไม่ใช่ขนไม่ใช่สัตว์ะไรที่อามาตะถาวนเนี่ความจริงของกายก็คืออย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ต้น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 จ้ไงเง้ย น, นะจ้องกลัวไม่ดีเวีนแท้เลยมีสองจำพวกนะที่ว่าพัฒนากี่ปีกี่ปีมันทาให้สําเร็จนะพวก น, วกนๆๆนะี้พวกๆๆคิดมากจะทํายังไงจะทำไงพวแทนที่จะรู้ลงไปตามโผรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นพวกที่สองก็บังคับกายบังคับใจที่บังคับกายบังคับใจก็เรื่องมาจากพวกแรกนะคิดไม่าจะทํำยังไงจะถูกทําทีไรไม่บังคับกายก็บังคับใจมีแค่นั้นะ ส่วนใหญ่ก็คือบังคับทั้งกายทั้งใจก็เลยหวังว่าจะได้มักผลเหรอทำไปด้วยความโลกทำไปด้วยปัญหาด้วยความอยากความอยากเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ความอยากไม่ใช่เหตุให้คนทุกข์ให้รู้ต่ปัญญานี่แหละตัวรู้รู้ลงไปตามความเป็นจริงในกายรู้ลงไปตามความเป็นจริงในใจเมื <c oughs> ่เราสารวจตัวเองนะถ้าเข้าวัดมาตั้งหลายปีแนละ้วเหมือนเดิมเหมือนเดิม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 รำน้องตายฟรีเพราะเลยเียก็ยังกำลองกับแรงอยู่ใช่ไหมพเชือดคออุ้ยศสีลชฉันดีตอ่อหลายยังไม่ลดเลยเสีเ ย, ย ง, งัะดีอะไรหือเล่นการพนันเล่นกินเหล้าเมายาอะไรเสียยังเราโลกับเพลงดังร้อยอยู่ตัดคอก็ตายเปล่าเปหล ะ, ะแล้วเราตั้งใจรักษาศีล น, นะวิธีรักษาศีลให้ดีมีสติขอรู้ทัน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 พูดความจริงนะีไม่ใช่อยู่เขาพูดความจริงนะองค์ประกอบของสัมมาวาจามีหลายอย่างนะพูดความจริงใช่ไหมพูดโดยไม่ฝาไม่ใช่พูดความจรงิร ง, ร ง, จรงแต่ว่าเจตนาร้ายอย่างนี้นไม่ใช่นะพูดโดยรู้จักกาลเทศะพูดความจริงไม่รู้จักกาลเทศะก็ถือว่าดังพร้อยเหมือนกันมีที่หลายข้อนะมีห้าข้อไปอ่านเอาเองโตแล้วไม่ใช่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 ไม่คุน้อมจิตไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ติดอยู่ในความสุขตรงนั้นนะคนพาณนาจิตว่างสว่างก็อยู่กับความว่างความสว่างใจออกข้างนอกไปว่างๆสบาย <c oughs> มันมีแต่สมาธิชนิดเนี้ยนะแย่กว่านี้ก็สมาธิประเภทเห็นโน่นเห็นนี้นัางเสร็จแ้ก็เห็นผีเห็นยักษ์มารเห็นตัวโน้นตัวนี้นะ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 ใครไปคิดบ้างเท่านั้นแหละพวกทธอไม่ยกหรือพวกไม่รู้มีหรือไม่คิดหไม่มีหรอกคิดหรืคิดตลอดเวลาคิดแล้วก็นลืมแต่นั่นสองอย่างนะถ้าไม่ลงไปคิดก็ไปจ้องอะไรไนวะ้อันหนึ่งเนีนะ่ยสองแบบเท่านั้นถูกเลยนะันไม่ดูหลวงพ่อดื่มน้ำก็ลงไปคิดทาได้สองอย่าง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 สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชัว่วไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเหมือ น, อ น, อนนะคนเดินผ่านหน้าบ้านใจเราเป็นคนดูนะเราเมานั่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยอย่าวิ่งตามเขาไปนะาวเวลาใจมันหลงเอาไปหาอารมณ์นมันก็เหมือนเราวิ่งออกจากบ้านตามสิ่งที่มอเห็นเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านวิ่งตามเขาไปเห็นหมาเห็นแมวอะไรก็วิ่งตามไปหมดนะทั้งดีทั้งชั่วถ้าเรารู้ทันใจที่เคลื่อนนะใจก็จะถอยออกมาเป็นคนดูตรงนี้ถึงสําคัญ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 อยากจะให้หลุดผลนะอยากจะได้วีมุตน ะ, ะแต่พอนานไปนะเห็นความจริงด้วยแต่จิตมันหลุดของมันเองนะจิตมันปล่อยของมันเองค่อยๆฝึกนะค่อยฝึกไปถ้ารู้สึกยากไปฟังไม่ทันไปฟังซีดีของหลวงพ่อนะถ้าไม่มีซีดีก็ไปดาวน์โหลดเอาในเว็บไซต์เยอะๆเลยในวีมุตตีดอทเน็ตก็มีนะในสิมาดดอทคอมมเว็บที่เขา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 ไ, รรไม่ใช่ไม่ใช่รรร <c oughs> เราก็ทำรูแบบความจริงของโลกเราไม่เรียนข้างนอกนะ <c oughs> เรียนที่กายที่ใจเรานี่มันอยู่ในกายในใจ ร, ร, ราบย ศ, รราศรรสารเสริญสุดไม่ใช่เรื่องมีปัสนา <c oughs> ไม่โฆสนาต <c oughs> ้องเรียนกายเรียนใจของเราเอง <c oughs> แต่ถ้ามีราบเรายินดีรู้ทันราบเสียไปล้วเสียใจรู้ทันอย่างนี้เรียกว่ามีปัสนาได้ถ้ารู้ว่าตอนนี้มีราบ ราหมูราบน้ำตกราบเลยอย่งนไม่ใช่วิปัสสนานะโอหวิปัสสนูวิปัสสนึ ก, มกไม่ใช่วิปัสสนุนควาสมควรนะกว่ชั่วโมงเทียนฟังทีเดียวถ้าไม่เข้าใจนะไปฝั่งซนะีดียังแล้วฟังอีกเดี๋ยวก็เข้าใจคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะแล้วฟังซีดีแล้วพ่อนาเป็นนับจํานวนไม่ท้วนนะแต่ที่ไหนที่ไหนก็เจอ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 าการเพ่งเนี่ยติดเพ่งนี้ถ้านก็ให้คิดพิจรารณาเพื่ออะไรเวลาคิดนี่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมามีได้ไม่อยู่นิ่งซึมก็ถือไปไมได้ไปคิดดูเสียวยหรือเออ <c oughs> ม, มโหเหรอเหวี่ยงเหงียดช่วอะไรทาไมมโหมติดนิง่งติอเจ อ, อเครื่องช่วยําคาญหลวงพ่อขอลำคาญ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 พวกนึ่งท่านี้ไว้เดี๋ยวท่าที่นี่คิดอย่างเดียวเลยนะอีกพวกหึงเพ่งจ้องอยู่ที่มือผมว่เถียน่ะไม่ชอบให้เพ่งเลยนะพวกนี้จะเบียนกับทนกลับไปเพ่งซะอีกตัวท่านก็ทำได้ดีแตรละองค์แต่ละองค์นะเราเข้าไปสัมผัสเคยดูว่าประสบการณนะ์ประสบการณ์ของแต่ลองคนะ์ทำให้ท่านสอนแบบนั้นตีงสะดุดนี่ครูบาอาจารที่ประหลาดนะ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 การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจบจบแล้ว <c oughs> นะ <c oughs> แค่นั้นแหละเราทำอยู่สามเดือนคุณบอกให้อ่านจิตตนเองทำอยู่สามเดือนขื้นไปส่งกันบ้าน <c oughs> ไ, ปไปรักษาจิตเอาไว้เด่นดวงอเลยทั้งวันเลยนะจิตเคลื่อนไปรูป้ทันปุ๊บกลับมาตั้งอย่างนี้ เนี่ยคิดว่าเจง๋งนะได้ดูจิตเห็นมันไม่กระดิกเลยหลวงปู่บอกยังไม่ได้ดูจิตเลยนะไปแทรกแซงจิตแล้วบปมคลับใจมันนิ่งนะให้ไปดูใหม่เนี่ยวิธีสอนของครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะโหดมากเลยนะให้ไปทำเามาเขาบอกว่าทําอะไรทำอย่างไงนะบอกว่าให้ไปทําอย่างนี้แต่ไม่บอกวิธีใหนะ้ไปดูจิตเราก็ไปดูจนกระทั่งเห็น จ, จิตเจงง้าไหม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 <ś led> เราไม่ได้ทําบุญอย่างนี้มามาเจออาจารย์อย่างหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดเอาแต่ใจหลวงพ่อเป็นคนที่พูดเอาแต่ใจนะคือพูดแล้วต้องถึงใจเลย <ś led> เอาแต่กายไม่พอหรอกมาสการ่ะส่งกันบ้านเจ้าค่ะที่เมื่อวานนี้ที่ท่านบอกว่ า, าเพลง่งค่ะก็ลองพยายามกลับไป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 ตอนนี้พอจะใช้ได้ไดอย่างเจ้าค <kommen S 2> ่ะใช้ได้แล้แต่ถ้าวันไหนมันฟุ้งซ่านก็ทําความสงบให้จิตได้พักผ่อนนะจะมาถาให้ทิ้งเจ้าค่ะแต่ว่าพอทำสถาธิแล้วก็ถอยออกมาอย่าไปติดล็อกอยู่เจ้าค่ะเพราะเมื่อ ก, ก่อนเนี้ยเคยภาวนาได้ จ, <c oughs> จนกระทั่งแบบว่าบางทีนอนแล้วเห็นว่าได้ยินกลนนะคะได้ยินเสียงกลนปกติดีแล้วทีนี้เวลาตื่นขึ้นมาเนี้ยพอคิดปั๊บเนี่ยมันจึ๊กๆๆที่ที่ตรงเนี้ยค่ะที่หน้าอกอะที่ริ้นปีนะค่ะเออแล้วมันก็เกิดตรงนั้นแหละ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 พุดพูดอย่าพงพูดพูดเมื่อไหร่หลุดเมื่อนั้นเออตั้งอย่เห็นไหมหลวงพ่อถึงบอกว่าเอออย่าพูดนะรี่ให้กันบ้านไปเลยใครสคยให้ยราพูดแล้วไม่จะหลุดไปเลยเออเดีย๋ยวหลุดไปถึงวาชิงตันเนละ ด, ดูจิตไปใช่ดูดดจิตบ้าง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 ค่ะใช่รู้สึกว่าพยายามมากมันมากไปตอนนี้น<ช>ความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ที่นั้นให้ทำเป็นธรรมชาติธรรมดานะแต่สม่ำเสมอสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญที่สุดเลยสำคัญมากกว่าหักโหมน ะ, ะหักโหมเนี่ยไม่ได้กินหรอกแต่ถ้าทำสม่ำเสมอเนี่ยดี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 แต่ถ้าคิดว่าต่อไปนี้จะปฏิบัติมันที่ออกมาฟอมเนี้ยนะมันก็แข็งไปมีไปคิดหรือยังมีฮะแต่เนี้ยรู้ทันอย่างเนี้ยมีไปคิดก็ได้นะเราก็รู้าอย่างแล้วเมื่อไหร่ที่จิตเราจะกลับมาอยู่ที่พองยุบค่ะมันไม่กลับหรอกเพาทำสมถะ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 ดูดีวีดีของหลวงพ่อมาก็สองสามปีแล้วนะก็บางทีก็ปฏิบัติตามค่ะแต่บางทีจิตก็แบบเผลอไปนานมากบางทีแบบเป็นวันสอชั่วโมงไม่นานไปให้เผลอเล็กๆน้อยๆยพองามนะค่ะแต่แบบว่าติดทำงานอะไรอย่างนี้ถ้าทำงานไม่ไม่ใช่ปัญหานะเขาจ้างเราทำงานเราต้องทางานเขาไม่ได้จ้างเราพอนา่โกครขบสิ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 ทำ ง, งานมาทั้งวันแล้วตอนเย็นไปทำในรูปแบบว่าสนบไปไง้นนะป่วยการทำ <c oughs> เอ่อก็เตืนให้เร็วขึ้นหน่อยทำตั้งแต่เช้าเลย <c oughs> นะต่อไกลางวันกินข้าวเสร็จก็ปฏิบัติบ้างเช่นเดินไปเดินมาคนนึกว่าเราเนะอ็กซ์ซอร์สยอาหารความจริงเดินโชว์กลมไม่ต้องไปเดินกลับไปกลับมาทำขุุ้ขึนหลบนะ <c oughs> เดินธรรมดานี่แหละเขาจะได้ไม่รู้มนเดี๋ยวขางงว่าทำอะไรยคนนี้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 าาบบ ต, ต้องซ้อมเนี่ ย, นนยในรูปแบบทุกวันทุกวันนะพุโทโธไปหายใจไปแล้วจิตไหลไปแล้ ว, ลวรู้นี้ตอนไพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บเลยใช่แล้วมันจะไม่เป็นเองใช่ใช่แต่ต อ, แบบแบบอน น, อ น, น, นั้นก็ยังเสืมได้อีกเพราะฉะนั้นต้องซ้อมทุกวันวนยัไม่ใช่โลกุตระ เหมือนกันเหมือนกันคุณเลาขาไหลครับผมกาญจรวสการหลวงพ่อครับคือผมมีคำถามทีนึงคือผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติใหม่ใหม่มากเลยครับแผมอยากรู้ว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่าจิตเราตั้งมั่นแล้วจะรู้จิตตั้งมั่นเนี่ยนะต้องรู้ทันจิตที่ไหลไปต้องรู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นก่อนมันไม่ตั้งมั่นเรารู้ว่าไม่ตั้งมั่นนะมันจะตั้งมั่นเอง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 แลวอย่างหนึ่นงคือคําว่าภาวนาเป็นภาวนาไม่เป็นคืออะไรครับภาวนาเพื่อเจริญ น, นะเจริญสติสตมีสติอยู่เห็นกายเห็นใจเขาทางา น, นเห็นใจรักเห็นนี้คภาวนาเป็นมไม่เป็นแล้วไปนั่งเพ่งนิ่งๆอยู่แล้วแปลว่าถ้าเกิดเรารู้กายรู้ใจว่าเรากำลังคิดเรากําลังไปคิดโน่นโน้นไปก็แปลว่าเราภาวนาเป็นใช่รู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อย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 หรือเปล่าเจ้าค่ะแล้วก็แล้วแล้วการที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงที่จะพื้นคืนจิตขึ้นมาให้เป็นปกติน่ะเจา้าค่ะไปฟังซีดีหลวงพ่อ บ, บ่อยๆเีงย่อมจะเป็นเองจริงจิตไม่เคยตกไปไหนหรอก <c oughs> จิมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตรง น, นั้นแห ล, ล, ละไม่มีตกหรอกเราก็ดูไปตอนนี้ใจห่อเหี่ยวรู้ว่าใจห่อเหี่ยวดูมันเห็นคนอื่นห่อเหี่ยวเราเป็นแค่คนดู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 บุญของเราก็มากขึ้นนันอยญ่ขี้เหนียวบุญนะเพราะว่าเราทำคุญงามความดีทั้งหลายเพื่อลดละกิเลสไม่ใช่เพื่อเอากิเลสอย่างบางคนนะในเมืองไทยมีเชงเมงเ้งอะไรเงี้ยเยี่ยงเนจุดทูบก่อนนะโง่เยี่ยงปักถ้าปักก่อนแล้วจะเฮงโง่โง่ <laughs> ทำอะไรมีแต่เรื่องกิเลสมันจะปักทูบเพมันจะได้บุญตรงไหน